มีสติตื่นอยู่เนืองนิดมีจิตเป็นอิสระจากราคะและโทสะละบุญและบาปได้ย่อมไม่กลัวอะไรพุทธะวั จ, จะนะ หมอคะสถานการณ์น้ําท่วมที่สิงห์บุรีวันนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่คุณหมอได้เปลี่ยนสถานภาพของตัวเองจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยกลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วเนี่ค่ะสัปดาห์ที่แล้วที่เราออกอากาศกันไว้วันก็เรื่ครับค่ะตอนนั้นน้ํายังไม่ท่วมยังไม่มีวี่แววที่ชัดเจนเลยทั้งทรายตอนนั้นก็ถือว่าเป็นแค่เพียงผู้อยู่ในเหตุการณ์ค่ะครับสัปดาห์ที่แล้วนะก็วันสุกน้ําก็แรีว่าไหลบ่าเข้าท่วมค่ะพื้นที่ ที่บ้านสวนน่นนะครับค่ะถึงตอนนี้ก็ประมาณเรียกว่าราวๆนมได้ะก็อืมนะครั บ, มรบไม่ค่อยสูงเลยนะคะเกินเมตรนะคะน่ะเกินนะเกินค่ะครับเกินตอนนี้พื้นที่ที่ท่วมนี้ก็ค่อนข้างกว้างขวางไม่ใช่เฉพาะสวนพันชนะเท่านั้นนะคะครับก็กระจายไปตัวโยเวนก็คือโซนที่เป็นเขตเทศบาลเมืองค่ะที่เป็นตัวเมืองหลงพัยาเนี่ยนะครับค่ะก็ ยังรับไหวอยู่คือยังน้ํายังไม่เข้าค่ะครับก็เรียกว่าเห็นชัดเลยครับนึกถึงพาะสิทไทยที่เรียกว่าเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าฮะโอ้คุณหมอยกตัวอย่างมาดีมากเลยค่ะเพราะว่าดูข่าวอยู่ทุกวี่วันเนี้ยนะคะก็มีความสึกอย่างนั้นจริงๆค่ะว่าโอ้ความเดือดร้อนนี่มันแผ่กระจายไปทั่วคือไม่เฉพอเดือดร้อนเฉพาะคนนะทุกหย่อมหญ้าเนี่ยมันทุกหย่อมหญ้าจริงๆ บริเวณที่น้ำไหลผ่านไปเนี่ยแม้แต่พวกมดมแมลงไส้เดือนพวกกิ้งกือนอนต่างๆางนี่เรียกว่าทุรคทุเลกับการเอาตัวรอดเป็นอย่างยิ่งนะมันไม่ได้ต่างจากมนุษย์ที่ถูกน้ำท่วมเท่าไหร่เพอเอจะแย่กว่านะคะเพราะว่าจะมีใครไปให้ความช่วยเหลือเจ้าพวกนั้นล่ะคะ่ะครับใช่ไหมคะก็จะมีผนที่มีความสุข สนุกสนานมากเป็นพิเศษก็คือพวกปลาเท่านั้นเองครัอ๋อค่ะเรียกว่าไอ้ที่เขาว่าน้ําขึ้นปลากินมดเนี่นะครับค่ะก็เห็นได้ชัดถึงคําสอนนะเมื่อกลาวที่กลับจากกรุงเทพเ <Yeah. S 2> มืวันศุกร์เนี่ยะค่ะเวันเสาร์ก็ได้กลับมาดูน้ําแล้วก็ไปดูอยู่กระทุกวันเนี่ยนะค่ะยิ่งเห็นหรือว่าลําลึกและลึกถึง คำพูดหรือว่าคำกล่าวหรือว่าคำสอนอของพระพุทธองค์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรคะแบ่งปันกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าเคยมีคำกล่าวอย่างนี้ครับพจินินครับผมได้ยินท่านอาจารย์คนหนึ่งนะท่านพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนธรรมะอ้าวแล้วท่านสอ น, ส อ, นอะไรล่ะคะท่านไม่ได้สอนนะแต่ท่านแสดงธรรมะอ๋อธรรมะนี่สอนก็เท่านั้นแสดงดีกว่าครับคือท่าน แสดงความจริงนะรธรรมะคือความจริงท่านแสดงความจริงว่าโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ค่ะนะครับความสุขเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความทุกข์มันมีเหตุมันมีปัจจัยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ท่านแสดงความจริงเพราะว่าท่านรู้ความจริงอย่างถึงที่สุดนะเรียกว่าจักต้นชนปลายหรือว่ารู้แจ้งแทงตลอดในหลักธรรมคือความเป็นจริงทั้งหลาย <grunts S 1> ค่ะแล้วท่านก็ เอาความจริงอันนั้นเนี่ยมาเล่าร่วมาแสดงให้สาวกหรือว่าให้ผู้ที่รับฟังเนี่ยได้รับทราบรับรู้ไว้ใครรู้เห็นตามความเป็นจริงอันนั้นได้เนี่ยก็เรียกว่าจะทำให้ทุกในใจได้คลายออกนะครับเพราะเราเห็นในตรงนี้เนี่ยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นมาเราเห็นชัดมากเลยไอสิ่งที่ว่าเราว่ามันเป็นของของเราเนี่ยนะมันเห็นชัดเลยว่ามันไม่ใช่ แสดงสัจธรรมฮะมันแสดงความเป็นจริงออกมาได้อย่างชัดมากไอ้ที่เราบอกว่ามันไม่น่าจะท่วมนะมันไม่แน่อะไรเงี้ยความไม่แน่ความไม่เที่ยงนะความทุกข์ที่เรียกว่าความทนอยู่ไม่ได้เนี่ยหรือว่าความบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยทั้งสามอย่างนี้รวมกันเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นไใจลักษเนี่ยก็จะเห็นชัดมากเลยอันนี้เป็นเหตุการณ์ภายนอกค่ะเป็นเหตุการณ์ภายนอกของที่เราว่ามันเป็นของเราเนี่ย นียต้นไม้ทุกต้นที่เราปลูกนะเราส า, ารดน้ําดูแลอะไรปลูกด้วยมือของเราใ่ไปลูกด้วยมือของเราเนี่ยตอ <c oughs> นนี้มันอยู่ใต้น้ําไปเรียบร้อยมันไม่เป็นของเราอีกต่อไปแล้มันไม่เป็นของเราอีกต่อไปแล้วถ้าเราไปอาไลอาวอนไปกระสับกระจายกระเสือกกระสนกับสิ่งที่ว่ามันเป็นของเราเนี่ยเราก็ทุกฟรีๆนะคะก็ทุกฟรีๆค่ะนะครับเฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมนึกถึงบทสวดมนต์บทนึงนะครับพี่ชินน่าก็อะไรคะนะในหนังสือสวดมนต์เนี่ยที่เราสวดกันอยู่เนี่ย จะขอยกตัวอย่างขึ้นมาที่ทําให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นได้เลยค่ะเขาบอกว่าโลกคือหมู่สัตว์อันชาราต้นไปอยู่นะครับไม่มีความยั่งยืนค่ะใครผู้ต่อต้านค่ะไม่มีใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรเป็นของของตนจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงแล้วต้องไปค่ะโลกคือจิตนี้ว่างอยู่พ่องอยู่เป็นนิดค่ะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อ จึงต้องตกเป็นท่าของตันหาด้วยประการช่นี้แหละนะครับค่ะเราได้เห็นชัดถึงเป็นคํากล่าวที่เรียกว่าจริงๆมันมีเยอะนะพี่สัยินทรแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นชัดว่าปรากฏการณ์ต่างๆในโลกนี้ด้วยความเป็นจริงของโลกนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่มันบังคับไม่ได้จริงๆค่ ะ, ะมีเหตุมีปัจจัยที่เป็นไปทั้งสิ้นนะ่ะทุกคนต้องพัดพลาด จตมาจากของรักของชอบใจแน่ๆเลยน้ําท่วมคราวนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีนะครับพี่เสนะ้าตาดีได้ตาล้ายเสียอย่างที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วว่าว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยทุกที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นผู้ทุกข์หรือจะเห็นความทุกข์คหรือว่าใครจะได้ปัญญานหะรือว่าใครจะได้ความทุกข์ฟรีๆเนี่ยอันนี้แล้วแต่สติปัญญาของคน นะแต่ตรงนี้สําคัญมากเลยค่ะคุณหมอถ้าเราต้องเจอความทุกข์ฟรีๆเนี่ยนับว่าขาดทุนอย่างแรงเลยนะคะครับแนอกจากจะขาดทุนแล้วนี่ยังไม่ได้กําไรด้วยนะฮะอ้าวขาดทุนก็ไม่ได้กําไรสิครัทุนกับกําไรเนี่ยบางทีเป็นคนละอันกันอ้าวเลยค่ะใช่ไหมฮะที่เราลงทุนไปเนี่ยมันเสียหายเนี่ยมันขาดทุนอยู่แล้วอ๋อแต่ถ้าคือขาดทุนก็พอจะเป็นมีกําไรได้ข้ามีกําไรได้เพราะว่าไอ้ทุนที่เราลงไปเนี่ยเช่นเราปลูกต้นไม้ไป สร้างบ้านสร้างเรือเนี่ยอันนี้มันเป็นทุนใช่ะหมครับเป็นเป็นทุนเพราะฉะนั้นมันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นจากทุนเนี่ยแต่กำไรเราก็ต่อได้อยู่นะฮะอ๋ออันนี้ไม่เหมือนการค้าไม่เหมือนการค้าขาดทุนไม่มีกําไรอันนี้เป็นธรรมะธรรมะขาดทุนแล้วมีกําไรได้ครับโอ้ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีคำหนึ่งที่น่าสนใจนะพี่ินน่ะเรียกขาดทุนกําไรค่ะ่ยขาดทุนกําไรก็คือว่า ทุนเนี่ยมันที่มาลงไปเนี่ยผลที่เราอยากได้หรือว่าเราตาดธนาก็คือความสุขค่ะฮะทีนี้ถ้าเราไปมุ่งหวังหรือว่าไปคาดหวัง<ช>หรือว่าไปรอผลกําไรเนี่ยฮะกำไรในที่นี้เนี่ยก็คือความสุขเพราะาทุกคนเนี่ยลงทุนทุกอย่างใช่ไหมฮไม่ว่าจะทํากิจการงานใดๆหรือว่ากิจกรรมทุกๆขณะของชีวิตเนี่ยต้องการกําไรก็คือความสุขค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ประมาทหรือว่าเราไม่เข้าใจชีวิตเนี่ยเราจะรอกําไรก็คือรอความสุขเช่นปลูกต้นไม้ไปเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันออกดอกก่อนแล้วเราจะมีความสุขหรือว่ารอให้มันออกผลก่อนแล้วฉันจะมีความสุขค่ะหรือว่ารอเลี้ยงลูกให้โตก่อนถ้าลูกจบปริญญาตรีเนี่ยเราคงจะมีความสุขหรือว่าเดี๋ยวรอฉัน ได้ขึ้นซีนั้นซีนี้เราฉันจะมีความสุข ค, คือความสุขเนี่ยจะรออยู่ข้างหน้าเมื่อทําอะไรสําเร็จสักอย่างหนึ่งเอาความสุขไปไวางไว้ข้างหน้าเอาความสุขไปไว้ข้างหน้าแล้วเราก็าวิ่งตามมันไปะเกลี้ยกล่ํายไปหาเนาะครับะกเกลี้ย ก, กล่ํายไปหาแต่ระหว่างที่ทํารั่วลงทุนไปอยู่เนี่ยค่ะไม่มีความสุขก็คือรออยู่ถ้าอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนฉลาดน้อยเพราะว่าให้ความสุขข้างหน้าที่เกิดขึ้นจากการลงทุน ที่จะทําให้สิ่งนั้นสําเร็จเนี่ยมันไม่แน่มันไม่เที่ยงอย่างที่บอกถ้ายิ่งมันมีเหตุปัจจัยเยอะแล้วเราควบคุมเหตุปัจจัยนั้นไม่ได้เนี่ยมันก็ยิ่งมีความไม่แน่นอนค่ะเรียกว่ามากเป็นพิเศษทีนี้ก็เคยคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทุกขณะของชีวิตของเราเนี่ยค่ะเราต้องตักตวงความสุขให้ได้เก็บความสุขเล็กๆน้อยๆที่หล่นเรียรากอยู่ตามพื้นค่ะ อยู่ข้างตัวเราเนี่ยนะคะออยู่ข้างตัวเราหรือว่าทุกขนาดที่มันดําเนินไปเนี่ยให้ได้ถ้าเราสามารถทําได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องรอผลความสุขที่มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ค่ะนะเมื่อสิ่งนั้นมันสำเร็จนะครับที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าเรามีความสุขกับการปลูกต้นไม้ในแต่ละขณะแต่ละขณะดใช่ไหมเราก็ไม่ต้องสนใจรอว่าเมื่อผลมันออกหรือว่าดอกมันจะออกเนี่ยเราจะมีความสุขแน่หรือเปล่าค่ะ นะครับทุกขณะที่เราทำเนี่ยถ้าเราทำด้วยความสุขมีใจรักที่จะทำนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทามันด้วยความเต็มใจความสุขเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าถึงให้ได้ถ้าเราเข้าไม่ถึงนะเรามีโอกาสมากเลยที่เราจะขาดทุนกาไร ค, คือลงทุนไปแล้วแต่กาไรที่เราควรจะได้เนี่ยมันก็จะศูนย์เปล่าไปนะบมัน ทุกขนาดของชีวิตที่เป็นปัจจุบันขนาดเนี่ย น, นะเป็นโอกาสทองของทุกๆชีวิตนะครับที่เราต้องเก็บความสุขให้ได้ ค, ความงดงามของโลกก็มีอยู่นะฮะต้นไม้ดอกไม้เล็กๆน้อยๆนะที่มันขึ้นอยู่รับสนามหญ้านะครับความเขียวชอุ่มของใบไม้ที่ยังไม่ทันได้ออกดอกออกผลเนี่ยก็เป็นความสดชื่นใช่ไหมคะเป็นความ ตลาดของคนที่เข้าไปสัมผัสเองอะว่าจิตใจของเราเนี่ยจะมีความไวหรือ ว, ว่าความอ่อนโยนดีพอไหมที่จะเก็บเอาความสุขเล็กๆน้อยๆ น, นะที่มันเลี่ยราดอยู่ตามพื้นะนะเลี่ยราดอยู่ตามสิ่งแวดล้อมที่มันปรากฏอยู่ทุกๆขณะเนี่ยได้หรือเปล่าค่ะนะะเฮ้ถ้าใจเราหยาบก็เรียกว่าใจมันด้านใจมันด้านเหมือน ม, อมือที่เราสักสากเนี่ยนะ เราไปจับของที่มละเอียดเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกละเอียดเนื่ิงีน่านใช่ค่ะมันก็จะรู้สึกว่ามันดับหยาบไปเน้่ยตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญว่าทํำยังไงใจเราจึงจะมีความอ่อนโยนหรือว่ามีความว้องไวหรือว่ามีความละมุนละไมและเมียดละไมที่ดีพอที่จะเรียกว่าไวต่อความสุขเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ได้อั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าเป็นจิตใจที่มันอยากคายเป็นจิตใจขาดสติเนีไม่รู้อยู่กับปัจจุบัน ดังนั้นถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันให้เป็นเนี่ยนะเราก็จะหาความสุขเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยๆนี่ไม่ได้แล้วก็ไปคาดหวังผลกับความสุขันใหญ่ๆข้างหน้าค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลอย่างนั้นหรือว่าคาดหวังไม่ได้ใช่ค่ะบอย่างเช่นอย่างเนี้ยอยู่ๆน้ํามาจากไหนก็ไม่รู้ตุ้มๆๆใช่ไหมฮแล้วก็ทุกอย่างก็จมมิดอยู่ใต้น้ำไปหมดวันที่น้ํามานั้นวันเดียวเลยใช่ไหมคะที่ท่วมเยอะขนาดนี้วันเดียวที่ขึ้นมาก็ เรียกว่าเลยเข่าขึ้นมาเลยฮะวันแรกนี่จากนั้นไม่เข้าบ้านเนี่ยกลายเป็นน้ําท่วมถึงเข่าเลย่แล้ววันที่สองที่จะไต่ขึ้นมาถึงลิ้นปีเลยครสองวันเท่านั้นนะคะถึงลิ้นปีเนี่ยไม่น้อยนะคะก็ถือว่าเรียกว่าถ้าจะคนข้าวขนของก็ยังพอมีเวลาบ้างค่ะแต่ถ้าคนที่ขาดสตินะฮะซึ่งมีนะผมทราบมาว่าคนที่ขาดสติเนี่ยอพอน้ําท่วมเข้ามานี่ก็ไม่รู้จะทําอะไรนะขับรถเข้ากรุงเทพไปหาลูกๆที่อยู่กรุงเทพ ค่ะนะข้าวของเครื่องใช้เรื่อไนยๆไม่มีกระจิตกระใจที่จะเก็บด้ือว่าอะไรเลยเพราะวักพวนไปหมดตัดสินใจไม่ได้ไมจะทํำยังไงดีไม่รู้จะทํำยังไงค่ะเนี่ยปิดบ้านแล้วก็ขับรถกับเรือไปเลยเอกันอะไรอาจจะไม่มีคนช่วยยกของเลยค่ะแต่เดี๋ยว่าไม่ทําอะไรก็ต้องทําใจกันแล้วนะคะในเหตุการณ์อย่างนี้ครับแต่ที่สําคัญแน่ๆเนี่ยถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยซึ่งเป็นสาธารณะทุกข์ไหมคะคุณหมอครับ เป็นทุกที่เราต้องร่วมชะตากรรมกันนะคะคแล้วเราได้แต่ความทุกข์กลับมาโดยที่ไม่ได้เก็บเกี่ยวประโยชน์ของการที่จะมองให้เห็นเป็นโลกธรรมนะคะคว่าเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่เราควรจะน้อมใจให้ได้เกิดประโยชน์ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แปรเปลี่ยนไปนะคะคมันเคยเป็นของเราแล้วมันก็ ไม่เป็นของเราในวันนี้มันไม่ใช่ของเราจริงๆค่ะได้พิจารณาเป็นธรรมะ <c oughs> ในมุมนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราได้ประสบการณ์ทางธรรมเพิ่มนะคะครับก็จะทําให้เรามีความไม่ประมาทในชีวิตมากขึ้นค่ะถ้าคนที่พิจารณาจริง ๆ, ๆจังๆเนี่ยก็ะจะเห็นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วประชาชนจะไม่ค่อยได้ลึกซึ้งถึงขนาดนั้นไม่ได้มองถึงจุดนี้ค่ ะ, คะอย่างมากก็คือคนที่ทําใจเก่งหน่อยก็คือยอมรับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเกิดค่ะแล้วที่สําคัญก็คือว่า ประชาชนส่วนหนึ่งนะครับก็สนุกสนานกับการไล่จับปล า, <อ>านะครับพวกขายพวกยอพวกสิ่งที่เอาไว้จับสัตว์น้ำเ่ยนะขายดีเป็นเทน้าเทาท่าว่างั้นะนะครับก็เห็นแล้วก็คงต้องทาใจเรานะก็ได้แต่ต้องแล้วแต่เวงของสัตว์แล้วครับต้องทำไปแต่ว่าถ้าเราให้พิจารณาให้ดีๆเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์น้อย จากที่เกิดการน้ำท่วมในครั้งนี้เป็นตัวที่ช่วยเราได้อย่างมากเลยก็คือเรื่องของความรู้สึกตัวเนี่ยนะเพราะมันทำให้ความเสียหายข้างนอกเนี่ยอย่างที่เคยคุยกันนะครับว่าเราป้องกันได้ยากะครับมันเป็นเรื่องอยู่ไกลตัวเราเรียกว่าถ้าวนออกจากกายเราไปเนี่ยก็เรียกว่าของไกลตัวแล้วนะแต่ของที่อยู่ในตัวเราใกล้ที่สุดเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องมือในการป้องกันมัน โดยพะความทุกข์ในใจความหมกมุ่นคุค้นคิดความคิดนึกตรุงแต่งไปพวกนี้ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ในการป้องกันทุกข์นะไม่สร้างเขื่อนหรือวไม่สร้างภูมคุ้มกันให้กับตัวเราได้จริงๆแล้วเนี่ยผมอา่ามันง่ายมากที่ความทุกข์ข้างนอกจะถาโถมก็มากลายเป็นความทุกข์ข้างในค่ะแล้วก็น้ําข้างนอกเน่านะะน้ํนะาข้างในก็จะเน่าด้วยนะครับพี่สิรินาอันนี้จะหนักกว่าไหมคะรับอันนี้จะหนักกว่าค่ะ ก็ประสบการณ์น้ําท่วมคราวนี้ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะคะได้ประโยชน์อันควรได้นะคะคุณหมอครับอย่าให้เสียทีที่ได้เรียกว่าเจอของจริงนะคะประสบการณ์อย่างนี้จะพูดเล่ามันก็ไม่เหมือนกับว่าเราอยู่ในเหตุการณ์จริงแล้วทําความเข้าใจกับความเป็นจริงของชีวิตใช่ไหมคะครับพูดอย่างนี้คงไม่ผิดนะคะมันยังเป็นอย่างนั้นแหละครัเราต้องใช้ปติอย่างนี้ฮรว่าค่ะยามสงบเราฝึก ยามมีฝึกเราก็ใช้อาวุธนะครับที่เราซักซ้อมที่เราอบรมเอาไว้นะแต่ถ้าเกิดยามสงบเราก็ไม่ฝึกนะยามฝึกเราจะเอาอะไรมาใช้อันนี้สำคัญออันนี้สําคัญเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นบทเรียนที่สําคัญของเราแล้วก็เราก็ไม่ทราบว่าปีหน้าถัดตัดไปเนี่ยอาจจะมีอะไรที่รุนแรงขึ้นอย่างนี้อีกหรือเปล่าอาจจะยิ่งกว่าน้ําท่วมก็ได้ค่ะคุณหมอใครจะรู้ได้นะคะ่หลังจากนี้ไปคราวนี้เราอาจจะมาแค่วอม ค่ะหลังจากนี้ไปก็ต้องปรารบความเพียนหรือว่าซ้อมกันให้หนักจริงขึ้นค่ ะ, คะเดี๋ยวก็ต้องขอเน้นย้ำกับเพื่อนของเรานะคะว่าอาวุธที่คุณหมอพูดถึงนี่ไม่ใช่ปืนผาหน้าไม้นะค ะ, คะแต่เป็นปัญญาเป็นการฝึกจิตฝนใจของเราที่ะจะเข้าใจความจริงของโลกและชีวิตนะค ะ, คะเพื่อที่เราจะได้มีความพร้อมพอที่จ ะ, ะเผชิญกับทุกภยัยอาจจะเกิดมีขึ้นนะคะ